วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้ยเจ็ณวัดป่าบ้านตาัดจังหวัดอุดรธานีความมืดก็อยู่ที่นี่ความสว่างก็อยู่ในที่ความหลงก็อยู่ในตัวของเรา ความโง่อยู่ที่นี่ความรู้ความฉลาดก็อยู่ในตัวของเราใจตัวงนี้จึงเป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวเดียวคนนั่งสองคนคนหนึ่งเขานั่งแล้วคนหนึ่งก็ต้องดิ้น ถ้าแย่งกันนั่งก็ได้นั่งคุณละสิเช่นเดียวกับความโง่ความฉลาดแทรกกันอยู่ภายในใจของเราดวงเดีย ว, ยวถ้าจะว่าโง่จริงๆก็รู้อยู่ว่าหลงจริงๆก็ยังรู้อยู่ถ้าจะรู้จริงๆก็ยังมีหลงอยู่ก็เรียกว่าเกาอี้ตัวเดียวความโง่ความฉลาด นั่งอยู่คุณซีภายในใจดวงนี้ซึ่งเทียบกันกับเขาอีก้าใครมีกำลังมากกว่าคนนั่นก็ในนั่งมากปัจจานั้นอุบายวิธีอบรมในทางคุณงามความดีทุกประเภทก็เพื่อจะกําจัดปาดเต่าสิ่งที่มัวหมอง จากเก้าอี้ตัวเดียวคือดวงใจของเราท่านพูดเรื่องคนงโง่เราก็ได้ยิน<ม>ก็เข้าใจท่านพูดเรื่องคนฉลาดเราก็เข้าใจท่านพูดเรื่องปุถุชนคนหนาเราก็รู้ก็เข้าใจท่านพูดถึงเรื่องพระรยาเจ้านับตั้งแต่ขั้นตน้น จนถึงพระเจ้าเจ้าขั้นสูงสุดเราก็รู้ก็เข้าใจแต่ว่าสําหรับเราเองยังไม่สามารถที่จะทําตัวให้เป็นอย่างนั้นเป็นเพียงว่ามีความใค่ายสนใจอยากจะสนับเรื่องราวความเป็นเช่นนั้นของท่านและทางดําเนินของท่านดําเนินอย่างไร จึงเป็นไปเพื่อทำเช่นนั้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกอราหันทั้งหลายที่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าก็ดีก็เป็นคนที่เลวเช่นเดียวกันกับพวกเราแต่ก็อาศัยข้อปฏิบัติการบำเพ็ญ ลำละสารอบรมอยู่เสมอจิตก็ค่อยเป็นไปโดยลำดับจนบรรลุธรรมแห่งขั้นพระเดียะพระอริยะเป็นขั้นขนเป็นถึงขั้นอริยะอันสูงสุดคือพระอรหรันต์ คำว่าพระยาเจ้านั้นก็แปลว่าผูกกระเสริฐธรรมของท่านก็เป็นธรรมที่ประเสริฐคำว่าพระดยญาใต้เจ้านั้นมีอยู่สี่ชั้นสี่ชั้นพระโสดานท่านพระสจดีาคารท่านของภานาคารท่านพระรหัสผู้สําเร็จพระโสดา ตามปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยชน์ได้สคือสกายทิฏฐิวิชีพิกชาศิลป์พัตตปรมากสกายทิฏฐิตามที่ท่านกล่าวไว้มีสกายทิฏฐิยี่สิพระโสดาบันทันละได้มาอย่างนั้น ถ้ากายทิธียี่สิบคือเห็นกายเป็นเราเห็นเราเป็นกายคือว่าเห็นรูปเนี่ยรูปกายของเรานี่เป็นเราเห็นเราเป็นรูปกายอันนี้เห็นรูปกายอันนี้มีในเราเห็นเรามีในรูปกายนี้นี่เป็นสี่อย่างละสี่ เห็นเมตนาเป็นเราเห็นเราเป็นเมตนาเห็นเมตนาเวทนามีในเราเห็นเรามีในเมทนาทัญญาตั้งขาันเมญญาโปรดได้เทียบกันอย่างนี้อย่างละสี่ละสี่สี่ห้าก็เป็นยี่สิบคือขันห้าและแยกออกขันห้าขันหนึ่งนั้นแยกออกเป็นสี่เป็นสี่สี่ห้าเป็นยี่สิบมีพระโสดาท่านละได้ ว่าอย่างนั้นแต่ทางด้านปฏิบัติส่วนจะถูกหรืปผิดนั้นก็ขอยอมสลรภาพตัวว่าเป็นธรรมะป่าโปรดได้ได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑนอะไรนะถ้าว่าถือเป็นหลักเป็นเกณฑนเยออย่างจริงจังแล้วถ้าเข้าใจว่าถูกก็จะเป็นการตำหนิทางหนึ่ง ้าเขาใจมาผิดก็จะเป็นการตำหนิทางหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็เป็นการไม่ดีทั้งสองทางนี้เป็นแต่เพียงว่าเล่าให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งถือว่าเป็นกันเองแล้วก็ยึดติดกันลงที่นี่ไม่ได้ติดต่อไปสู่สถานที่อื่น ถ้าโสดาที่ละส ก, กายทิฏฐินี้ขาดจินอย่างนั้นแล้วถ้าโสดาก็ไม่ควรจะมีครอบครัวเย้าเดือนเพราะเหตุใดเพราะครอบครัวเย้าเดือนก็คือเรื่องของกายเหล่านี้ของเวทนาของธรรมยาสัางขาหมุนอย่างนัน้ก็ควรจะผ่านจากนี้ไปเสีย<ม>เป็นอนาคา ระบุคคลไม่มีครอบครัวยาวเดือนแต่จะเห็นว่าจะเห็นเพียงว่าขอเทียบอุปมาให้ฟังก่อนว่าเหมือนบุรุษคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าไปเห็นบึงแห่งหนึ่งมีน้ำใสสะอาด และมีรสอเด็ดอร่อยแต่น้ำนั้นถูกจอกแหนปกคลุมอยู่ไม่สามารถที่จะมองเห็นน้ำโดยชัดเจียนได้บุรุษคนนั้นก็แวกนะแวกจอกแหนขึ้นแล้วก็เห็นน้ำภายในบึงนั้นใสสะอาดน้วตักขึ้นมาดื่มทดลองดูก็รู้สึกว่าน้ำนั้นมีรสอเด็ดอร่อย ความบรุษนั้นได้ดื่มตามความต้องการแล้วก็จากไปจอกแหนที่เวิร์กขึ้นจากน้ำก็ไหลเข้ามาหุ้มคอตามเดิมเมื่อบุรุษนั้นต้องการคราวไหนก็มาเวิร์กจอกแหนนั้นออกแล้วตักอาบหรือดื่มตามสบายทุกๆครั้งที่เขาต้องการแม้เขาจะจาก บึงนั่นไปแล้วและน้าในบึงนั้นจะถูกจอกแหนะปกคลุมไว้อย่างนิกก็ตามความเชื่อของเขาที่ฝังอยู่ในใจนั้นว่าน้าในบึงนี้มีอยู่หนึ่งน้ำในบึงนี้ใสสะอาดหนึ่งน้าในบึงนี้มีรสอเด็ดอร่อยหนึ่งนี้จะไม่มีวันถอนตลอดกาล ข้อนี้เทียบกันได้กับว่าขณะท่าโสดาที่ได้พิจรารณาส่วนต่างๆของร่างกายเห็นชัดเจนในขณะนั้นแล้วจิตได้ถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างตัวเข้าไปสู่ความหมดจดโดยเฉพาะไม่ในสัมพันธ์เจ่ยวเนื่องกับขันตั้งห้านี่เลย ในขณะนั้นเรียกว่าขันตั้งห้ากับกจิจะประสานกันไม่ได้เพราะได้ถูกความเพียนเว์หรือแยกจากกันไม่แล้วในขณะนั้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างไม่มีสมัยใดๆเสมอได้ นับตั้งแต่วันเกิดมาและวันได้ปฏิบัติมาแต่ก็ได้ปรากฏเสียในขณะ น, นี้นีพอจิตได้ถอนขึ้นมาจากนั้นเรื่องขันห้ากับจิตก็ประสานกันเข้าตามเดิมแต่หลักความเชื่อของโยคาวาจรคนนั้นที่เชื่อว่าจิตได้อย่างลง ถึงแดนแห่งความสงบเต็มที่หนึ่งขันทั้งห้าคือกองลูกเบชนาสัญญาตั้งขาหมินยานได้แยกจากกันกับจิตนั่นหนึ่งและจิตในขณะที่ได้ทรงตัวอยู่โดยเฉพาะไม่มีสิ่งใดมาสัมัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องนั้นเป็นจิตที่อัศจรรย์ยิ่งหนึ่งจะไม่มีวันถอนเลยในความชื่ออันนี้ เวลาถอนขึ้นมาแล้วก็ตั้งหน้าบำเพ็ญอีกเช่นเดิมแล้วก็ลงไปผูกจิต จ, จุดนั่นอยู่เสมอแต่ยังไม่สามารถที่จะทำจิตใจของตนให้ขาดจากกันโดยสิ้นเชิงได้เพียงเป็นท น, นถ้าขนาดนี้เห็นจะพอดีพระโสดาจะมีลูกมีเมียก็ยังได้ ข้ออย่างเข้าถึงความจริงในขณะนั้นแล้วเกิดความเชื่อมัน่นเรียกว่าอาจราาิญศัทธาแต่เมื่อจิตถอนขึ้นมาก็ระหว่างจิตกับขันก็มีการเกี่ยวพันกันเป็นธรรมดามีเรียกว่าสักการิติในธรรมป่าที่ได้ปฏิบัติมาวิจิิชา ความสงสัยว่าตายแล้วได้เกิดหรือไม่ตายแล้วสูญหรือไม่กรรมดีกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วให้ผลหรือไม่พบหน้ามีหรือไม่เหล่านี้เป็นเรื่องวิธีตริชาทั้งนั้นตัดชิ้นลงไม่ได้ ทั้งด้านแห่งกรรมและด้านผลของกรรมทั้งความเป็นมาของตนและจะเป็นไปทางหนักไม่สามารถจะตัดสินลงได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าวิกิจิชาเมื่อสงสัยในเหตุและผลแล้วข้อีิดว่าสงสัยในมรรคผลมิผ่านเป็นอันมาสงสัยไปหมดมีเป็นขนาดที่หนักขนาดที่เบากว่านั่นก็ผ่อนกันลงมาเป็นธรรมนาของ มิจิช้าแม้จะมีความแน่วแน่ว่ามรรคผลนิพานมีอยู่พบหน้าชาติหน้ามีอยู่บุญบาปมีอยู่แต่ก็ยังต้องสงสัยตนเองที่จะเป็นไปตามแถวนั้นได้หรือไม่ไม่แน่ใจลงได้เหมือนกันมีก็เรียกว่าวิจีช้าส่วนพระโสดานั้นสามารถละได้ในวิจีชฉาเหล่านี้ ว่ากรรมดีนั้นดีจริงกรรมชั่วให้ผลชั่วกินการเกิดกับตานี้เป็นของคู่กันมาตั้งแต่การไหนไหนไม่เคยเสื่อมสูญจากบุคคลผู้มีเชื่อภายในใจเลยเหมือนกันกับความมืดความสว่างเป็นคู่เทียงกันมาเช่นนี้ตลอดกาลใครจะปฏิเสธตลอดการก็เป็นเพียงสักแต่ว่าปฏิเสธเท่านั้น เรื่องความจริงคือมืดกับสว่างนี้จะไม่เป็นไปตามเรื่องของผู้นั้นเลยมีพระกวดามีความเชื่อมั่นอย่างนี้และเชื่อมั่นในมรรคผลมิพัานว่ามีจริงประจักษ์กับใจ ในขณะที่กิทของตนได้อย่างลงถูกความสนิทอย่างเต็มที่นั้นมีเรียกว่าสังดุลข้อนิจิๆๆขาศิลปตตาปรามาต้าพระโสดานนั้นเป็นคารวะก็จะไม่ต้องรับแล้วรับเล่าในศีลของตนแต่นี้ท่านกล่าวไว้ในปริยัติว่ารูปคมศีลทศ ก็ถูกแต่ทางด้านธรรมป่าขอแทรกลงไปว่าไม่ต้องรับแล้วรับเล่าในศีลโดยความต้งใช่ว่าศีลของตนขาดหรือมีเจตนาทําศีลของตนให้ขาดแล้วรับใหม่อย่างนี้พระโสดาจะไม่มีแม้จะนําหมู่เพื่อนรับศีลก็สักแต่ว่ารับไปเป็นผู้นําของเขาเท่านั้นแต่ส่วนเจตนาหรือจิตใจของตนจะรับ เพื่อแก้ไขความด่างพร้อยหรือความขาดความทะลุแห่งศีลของตนนั้นจะไม่มีในจิตของพระโสดาเลยเพราะพระโสดาเชื่อมั่นต่อหลักธรรมและไม่สามารถที่จะทำชีวิตของสัตว์ให้ล่มจมไปด้วยเจตนาอันร้ายของตนมีเรียกว่าศีระพัสปรมาตพระโสดาละได้คือสกายทิฏฐิหนึ่ง วิจิจิขาหนึ่งิรพัตตะปรามาตหนึ่งส่วนพระสกิทาคานั้นท่านว่าทำราคะโพสะโมหะให้เบาบางลงไปแต่ยังไม่ละขาดส่วนใดเพราะสกาทิฏฐินี้วิถิขาศิรพัตตะปรามาตนีน้เพียงขั้นพระโสดาท่านก็ละได้แล้วแล้วเลื่อนขึ้นไปพระสกิทาคา ทำราคาโพสะโมหะให้เบาบางลงอันนี้ทางด้านปฏิบัติไม่มีข้อยแยง้งส่วนพระนาคาละสังโยชน์ได้ห้าคือสามกับที่เป็นพระโสดาบะได้แล้วละเพิ่มได้อีกว่าการมร า, าคาความยินดีในประเพณีของโลก และปฏิฆะใช่ไหมไหนะในสังกัดห้าปฏิฆะใช่ไหมฮะอ่ารูปราคาอ่าการมราคารูปราคานะอืมครับรูปรา ค, ารค้าส่วนกรรมการมราคานั่นอยู่ในหลัก ของรูปกายของเราผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระนาคา่อมเป็นผู้สามารถพิจารณาส่วนแ ห, แห่งร่างกายทุกส่วนเห็นโดยความเป็นปฏิกูลดเห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์ดวดประจักษ์ใจจนปรากฏขึ้น จากนิมิต ท, ที่ตนปรากฏว่ารูปกายของเหล่านี้จะเป็นชิ้นใดก็ตามหรือรวมทั้งหมดในส่วนแห่งกานี้ก็ตามว่าเป็นของปฏิกูลเป็นต้นความปฏิกูลแห่งร่างกายที่ปรากฏอยู่เป็นนิมิตอยู่หรือเป็นรูปภาพอยู่ทายนอกจากใจไปนั้นเมื่อพิจารณาเข้าจริงๆแล้วภาพที่ปรากฏ ว่าเป็นอตุภ้านั้นจะย้อนเข้ามาสู่จิตดวงนี้ทั้งหมดว่าความเป็นอตุภังนี้เป็นเรื่องภาพของจิตที่ไปวาดขึ้นและความเป็นสุภากด็ดีเป็นภาคของจิตที่ไปวาดขึ้นแล้วเกิดความกำหนดยินดีความเป็นอตุภัจิตที่วาดภาพขึ้นแล้วเป็นเหตุให้เกิด ความอิจนาลอายใจหรือความเกลียดเบื่อต่างๆในเงื่อนทั้งสองนี้จะรวมเข้าไปสู่จิตดวงเดียวอสุภาพที่เคยปรากฏอยู่ภายนอกนั้นจะเข้าปรากฏอยู่ภายในจิตจิตก็ปล่อยวางจากอสุภาพภายนอกคือส่วนแห่งร่างกายนี้ พร้อมกับการถอนอุปทานแห่งกายออกได้โดยสิ้นเชิงจากนั้นแล้วจิตก็จะพยายามปรุงภาพที่เคยปรากฏนี่เป็นการฝึกซ้อมความรู้ความเข้าใจที่ได้รู้ได้เห็นนี้ให้มีความชำนิชำนานยิ่งขึ้นภาพที่ได้ตั้งขึ้นเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจนั้นจะปรากฏขึ้นชั่วขณะแล้ว ก็กลายเข้ามาเป็นเรื่องของจิตแล้ววาดภาพขึ้นใหม่แล้วก็กลายเข้ามาเป็นเรื่องของจิตมาหมดอยู่ที่จิตไม่ได้หมดอยู่ข้างนอกเหมือนแต่ก่อนจนมีความชำนาญเต็มที่ภาพนี้แน่จะปรากฏขึ้นปรุงที่ปรากฏขึ้นชั่วขณะก็ดับไปดับไปจากนั้นแล้วก็ไปกลายเป็นอากาศธาตุว่างเล่าไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ คือไม่มีภาพแห่งกายนี้เหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยแม่กายนี้จะทรงตัวอยู่ว่าเป็นกายแต่จิตนั้นภายในจิตนั้นจะมีอะไรไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเป็นสุญญากาศว่างเปล่าอยู่ทั้งนั้นนี่ขนาที่จิตถอนจากเรื่องความยึดมั่นผือกายนั่นได้ผ่านไปแล้ว ก็จะกลายมาเป็นอากาศ ธ, ธ, ธาตุว่างทีนี้คำว่าดูปราคะนั้นเมื่ออธตุพะอันนี้ได้ปรากฏเข้ามาสู่วงแห่งจิตตราสจากภายนอกเข้ามาสู่วงแห่งจิตแล้วจิตก็มีความยินดีพินิพิจารณาหรือฝึกซ้อมกันอยู่นี่เสมออันนี้จะเรียกว่าความยินดีในรูป เรียกว่าดูปลราคะก็ได้หรือจะแยกออกไปว่ายินดีในรูปประชานก็ได้อันนี้ก็เป็นฌานอันหนึ่งเหมือนกันที่ปรากฏภาพอยู่ภายในให้เด็ดเท่งให้พินิจให้พิจารณาอย่างนี้จนสภาพคือภาพอันนี้ได้จางหรือหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วความที่ยินดีนั้นก็หมดไปในขณะที่ ได้เห็นว่าภาพนี้ก็เป็นสภาพที่สลายไปเช่นเดียวกันกับส่วนแห่งร่างกายในขณะที่จิตกับอสุภะได้แยกทางกันและสุภะด้วยได้แยกทางกันเรียกว่าด้านขวามือ เป็นอสุภะทางซ้ายมือนี้เป็นสุภะจิตที่จะผ่านจากดามราคะไปได้ต้องผ่านไปในศูนย์กลางของอสุภะกับสุภะไม่ได้ยึดเงื่อนทั้งสองนี้มาเป็นอารมณ์แม้แต่ชิ้นเดียวผ่านไปในศูนย์กลางนั้นพร้อมกับมาลูเท่าว่า สิ่งที่เป็นสุภะก็ดีอสุภะก็ดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากใจนี้เทงนั้นเมื่อมาทราบชัดอย่างนี้ก็ถอนไปได้ในขณะนั้นในอันดับที่สาที่สี่ธันวาพระรหัสพระรหันละสังโยน์ได้อีกห้าเขี่วรวมทั้งหมดเป็นสิบ รูปราคะอรูปราคะมานาอุทจฉาวิชาคำว่ารูปราคะนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะยินดีในรูปจะเป็นรูปหญิงรูปชายรูปพัสดุสิ่งของก็ตามคือไม่ได้หมายข้างนอกอย่างนั้น นอกกากจะหมายในเรื่องนิมิต ท, ที่ท่านพิจารณาอยู่ภายในโดยเฉพาะเช่นรูปรชานของท่านตอนนั้นอรูปราคะหมายถึงยินดีในเวทนาคือสุขเวทนามานะแยกออกแล้วเป็นมานะเก้าคือ สำคัญว่าคือตนเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาหรือยอดกว่าเขานี่ตนต่ํากว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขานี่ตนสูงกว่าเขาสำคัญว่าตนต่ํากว่าเขาหรือเสมอเขานี่ยกง่มมาหน้าเก้าแต่ในบงปฏิบัติเมื่อพิจนาเข้าจริงๆแล้วมานนทั้งเก้าที่จะ ยับตัวออกไปนี้เนื่องจากความถือมั่นของใจเท่านั้นในขณะนั้นหรือเวลานั้นส่วนแหงร่างกายก็หมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือเป็นภาพภายในจิตใจเลยนอกจากจะเป็นส่วนนามธรรมคือเรื่องจิตใจที่มีความผ่องใสเรื่ององค์อาจกล้าหาญอย่างเต็มที่ภายในตัวเองเท่านั้นแล้วก็เป็นเหตุให้มีความรักใคร่หรือสงวนอยู่ภายในความรู้อันนั้น กลายเป็นมานะความถือจิตขึ้นมาเมื่อถือจิตแล้วอาการของจิตที่เกิดขึ้นเป็นความสำคัญขึ้นถึงเก้าประเทศนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตได้ยึดมั่นถือมั่นด้วยกันมีเรียกว่ามานะ อุดทาจาัจจะหมายถึงการความฟุ้งได้จากมีความเพลิดเพลินในการค้นการคิดการพินิดพิจารณาของตนเองไม่รู้จักประมาณในการที่จะพักผ่อนจิตใจให้เข้าก้าวเข้าสู่ความสงบเพราะเรื่องของปัญญาคันนี้คิดไปเท่าไหรก่ก็ยิ่งเห็นการถอดถอนพิริศ อาสวะเป็นลํำดับลํำดับจนเกิดเป็นความเพลิดความเพลินในงานชนิดนี้แล้วลืมตัวที่จะต้องพักจากพักหลับพักนอนก็ดีพากิตให้เข้าสู่ความสงบเพื่อเป็นกําลังในการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ดีจิตจะเห็นว่าการพักทั้งหลายเหล่านี้เป็นการดิดชักนักไม่ใช่เป็นการทํางาน จิงเป็นเหตุให้จิตมีความเพลิดเพลินเพลิเพลินในการพิจารณาจนเลยเถิดนี่ท่านเรียกว่าอุทธจัจเป็นผู้ติดใจในความค้นความคิดของตัวเองจนเกินไปคมวะาวิชาก็คือความหลงเรื่องของตัวเองคือจิต ด, ดวงเดียวเท่านั้นเมื่อได้ไม่รู้เรื่องของตัว แล้วจึงเป็นเหตุให้ถือมั่นเรียกว่ามานะต่อเมื่อปัญญาได้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบเพราะการพิจารณาไม่หยุดยั้งก็จะรู้เขาขึ้นมาว่าจิตที่ว่าอาวิชชานั้นก็คือเรื่องความหลงตัวเองเท่านั้นพอจิตได้รู้เพียงขณะเดียวเท่านั้นเรื่องอวิชชาก็ คนตัวอยู่ไม่ได้สลาลยลงในขณะเดียวคำว่ามานะคือความถือนั้นก็ไม่ทราบจะถืออะไรพ้อหลักที่จะยึดถือก็มีเพียงอวิชชาที่ทรงไว้ซึ่งความแปลกประหลาดสามารถที่ทำจิตให้ลุ่มหลงได้ได้แจ้ความผ่องใสหรือองค์อาจกล้าหาญอย่างเต็มที่ภายในใจดวงนั้นแต่ยังไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัว สิ่งทั้งหลายภายนอกสามารถรู้ชัดเห็นชัดปล่อยวางมาได้เสียสิ้นแต่ธรรมชาติที่ตนเข้าใจว่าดีหรือวิเศษนั้นได้ยึดถือไว้เสียเมื่อยึดถือไว้เช่นนี้ค่านก็เรียกว่า ม, มานะความถือจิตประเภทนี้เองเมื่อปัญญาได้พินิษพิจรารณาเข้าไปจนเห็นชัดในส่วนนี้แล้ว ว่าเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับสภาวะธรรมทั้งหลายคืออันนี้จังทุกขังอนาตานั่นเองแต่เป็นส่วนที่ละเอียดพอได้ทราบชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วอวิชชานั้นจิงดับลงไปอวิชชาได้แก่ความผ่องใสเต็มที่นั่นเองที่เป็นเป้าหมายให้เราได้รุ่มหลงหรือเพลปปเิดเพลินหรือปักปันเกียติยเอาว่าความผ่องใสอันนี้เป็นเราเป็นของเรา ใน้ฉลายตัวในไปในขณะที่เรามารู้เรื่องคือมาสนใจพิจารณาจุดนี้จึงได้ฉลายตัวลงไปเมื่อธรรมชาตินี้ได้ฉลายตัวลงไปคําว่ามานะ์คือความถือธรรมชาตินี้ก็สิ้นสุดลงอุทัศจากอรู้ประมาณเองทีงนี้เมื่อย้อนคบคืนไปกับไปพิจารณาข้างหลังเราก็ทราบได้ชัดมากเราเดินมาถึงสถานที่นั้นคโคดโค้งหรือผิดเพี้ยนไปบ้าง มากหรือน้อยเข้าใจคำวมามานะก็ทราบชัดมากแต่ก่อนหมายความว่าอะไรมานะในขั้นนี้หมายถึงความถือส่วนดีนั่นเองส่วนชั่วได้ละมาเป็นลำดับแต่ทีนี่เธอตัวในเรื่องความดีนั่นไปเสียก็เลยถือมั่นในความดีที่ว่าผ่องใสนั่นจึงแกะไม่ออกพอเมื่อได้สนใจที่จะนาน เรื่องดีที่ว่าผ่องใสนั้นชัดเจนแล้วธรรมชาตินั้นจึงจะสลายตัวลงไปกลายเป็นุูมหมดมานะขึ้นมาเพราะวิชาดับอุทธาจากความฟุ้งเกินตัวก็รู้จักประมาณเมื่อธรรมชาติที่ว่าอวิชาได้ดับไปแล้วนั้น จากนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดข้อห้องใจมาเชื่อที่เราได้พิดจรนามมาหรือสิ่งที่แสดงตัวอยู่ว่าเป็นเหตุที่ให้เกิดต่อไปอีกหรือจะตายต่อไปอีกหรือจะไปตกข้างอยู่ที่แดนใดก็ต้องทราบชัดในขณะที่อวิชาดลงไปนั้นเป็นผู้หมดความกังวลทั้งอดีตที่เคยเป็นมาของตน ทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าของตนเพราะปัจจุบันได้ขาดศูนย์จากการติดต่อเรื่องราวทั้งหลายนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในปัจจุบันนั้นนี้นั้นนีแต่อธิบายตามปริญาติบ้างตามความเข้าใจความรู้ความเห็นที่ได้ปฏิบัติมาตามกำลังบ้างเมื่อจะ ผิดบ้างถูกบ้างในส่วนไหนก็ขออาภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะธรรมะอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นธรรมะที่รับรองการรับรองนั้นเป็นเรื่องของโลกสำคัญอยู่ที่หลักความจริงได้ปฏิบัติยังไงเข้าใจอย่างไรเท่านั้นและวิธีการจะปฏิบัติ เพื่อทําเหล่านี้ก็ได้เคยอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบแล้วคือหลักภาวนาที่จะเป็นทางลัดทางกลงส่วนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นส่วนประกอบเป็นเครื่องหมุนกันไปไม่ใช่เป็นความเสียหายคือว่าความดีแล้วไม่มีชิ้นใดเสียหายต้องเป็นความดีหมุนกันไปเท่านั้น เช่นเดียวกันกันกบพริกนี้จะเป็นเม็ดเล็กๆหรือเม็ดไม่ค่อยบริจุดเท่าไหร่ก็ตามเม็ดเต็มบ้างเม็ดรีบบ้างเมื่อถ้าสมกันต่ําลงในโคลกแล้วตักออกมาโคตออกมาใส่ถ้วยเราจะจิ้มลงไปด้านไหนก็เผ็ดด้วยกันเท่านั้นมาเราว่าด้านนี้เป็นด้านของ คลิกที่ไม่เต็มเม็ดด้านนี้เป็นที่เต็มมีเผ็ดมากไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลายเป็นเผ็ดไปด้วยกันเจ็บนั้นนี่ชื่อว่าความดีแล้วไม่ว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการทำประเภทใดรวมกันเข้าแล้วจะกลายเป็นความดีก้อนใหญ่เช่นนี้เหมือนกันที่นั้นวิธีที่จะอธิบายตามแถวธรรมะ การปฏิบัติตามแถวธรรมะที่อธิบายมานี้นั้นได้เคยอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบแล้วเข้าใจว่าจะพากันเข้าใจอยู่แล้วจินขอวิติธรรมเทศนาเพียงทนเอ้อวั